และทรงให้ไพรพลมาทำลายกองทัพของอับรอฮะอัลอัชรอมเป็นสองเท่าทวีคูณคือนกที่หอบก้อนหินก้อนเล็กๆอยู่ที่ขาและจะงอยปากท้องมันแต่ถ้าว่ามันสามารถทำลายและฆ่ายิ่งกว่ากระสุนทำลายซี่จงกระทั่งอัลลอฮ์ทรงทำลายล้างพวกเขาจนหมดสิน้นและนั่นคือเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญในปีเกิดของมุฮัมมัด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 ด้วยพระนามของ a l l ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอเจ้าม่เห็นหรือว่าพระพวกพิบาลของเจ้าได้กระทมกับพวกเจ้าของช้างอย่างไร พระองค์ไม่ได้ทรงทำให้แผนการของพวกเขาสูญสิ้นดอกหรือและได้ทรงส่งนกเป็นฝูงๆงลงมาบนพวกเขามันได้คว้างพวกเขาได้หินที่ทำด้วยดินแข็งและพระงทรงทำให้พวกเขา เป็นด่งเช่นใบไม้ที่ถูกกัดกิน